การที่เจ้าอยู่ในเรือนของพราหมณ์เท่าเจ้าตายเสียดีกว่ามีชีวิตอยู่แน่แม่คนงามคนสวยมารดาและบิดาของเจ้าคงหาชายอื่นให้เป็นผัวไม่ได้แน่จึงยกเจ้าซึ่งยังเป็นสาวรุ่นรุ่นให้แก่พราหมณเท่าเห็นปานนี้เจ้าคงจับบูชายันไว้ไม่ดีในดิถีที่9คงจับไม่ได้ทําการบูชาไฟไว้ มารดาบิดาจึงยกเจ้าซึ่งเป็นสาวรุ่นรุ่นให้แก่พราหม์เท่าเห็นปานนี้เจ้าคงจักดาสมณะพราหมณ์ผู้มีพรหมจรรย์เป็นเบื้องหน้าผู้มีศีลเป็นพหูสูตรในโลกเป็นแน่เจ้าจึงได้มาอยู่ในเรือนของพราหมณ์แก่แต่ยังสาวรุ่นรุ่นอย่างนี้การที่ถูกงูกัดก็ไม่เป็นทุกข์การที่ถูกแทงด้วยหอกก็ไม่เป็นทุกข์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 ย่อมพินาศไปสิ้นเจ้ายังเป็นสาวรูปสวยพวกชายหนุ่มปรารถนายิ่งนักเจ้าจงไปอยู่เสียที่ตระกูลญาติเถิดพราหม์แก่จักให้เจ้ารื่นรมได้อย่างไรนางอมิตตาปนากล่าวว่าข้าแต่ท่านพราหม์ฉันจับไม่ไปตักน้ำที่แม่น้ำเพื่อท่านอีกต่อไปเพราะพวกหญิงชาวบ้านมันรุมด่าฉัน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 ถ้าท่านจักไม่นำทาตหรือทาสีมาให้ฉันท่านพรามท่านจงรู้อย่างนี้ฉันจักไม่อยู่ในสำนักของท่านชูชกกล่าวว่าแน่พรามณนีศิลปกรรมหรือทรัพ์และข้าวเปลือกของฉันไม่มีฉันจะนำทาตหรือทาสีมาให้เธอแต่ที่ไหนฉันจักบำรุงเธอเธ อ, อย่ากโกรธเลยนางกล่าวว่า มานี่เถิดฉันจะบอกแก่ท่านตามคำที่ฉันได้ฟังมาพระเวสสันดรราชฤาษีนั้นประทับอยู่ที่เขาวงกฏท่านพรามท่านจงไปทูลขอธาตและทาสีกับพระองค์เมื่อท่านทูลขอแล้วพระองค์ผู้เป็นกษัตริย์จะพระราชทานธาตและทาสีแก่ท่านชูชกกล่าวว่าฉันเป็นคนชราทุพพลภาพ ทั้งหนทางก็ไกลไปได้แสนยากเธออย่ารำพันไปเลยอย่าเสียใจเลยฉันจะบำรุงเธอเธออย่ากโกรธเลยนางกล่าวว่าคนขลาดยังไม่ทันถึงสนามรบไม่ทันได้รบก็ยอมแพ้ฉันใดท่านพราหมณ์ยังไม่ทันได้ไปก็ยอมแพ้ฉันนั้นถ้าท่านพราหมณ์จะไม่นําทาตหรือทาสีมาให้ฉัน ขอท่านจงทราบไว้อย่างนี้ฉันจะไม่อยู่ในเรือนของท่านฉันจะ ก, กระทำอาการไม่พอใจให้แก่ท่านข้อนั้นจกเป็นความทุกข์ของท่านในคราวมหรสพซึ่งมีในต้นฤดูนักขัตฤกษ์ท่านจะได้เห็นฉันผู้แต่งตัวสวยงามรื่นรมอยู่กับชายอื่นๆข้อนั้นจะเป็นทุกข์ของท่านแน่ท่านพรา์ เมื่อท่านซึ่งเป็นคนแก่รำพันอยู่เพราะไม่เห็นฉันร่างกายที่งอ ก, ก็จกงอกยิ่งขึ้นผมที่งอกก็จะงอกมากขึ้นพระศาสดาตรัสว่าลำดับนั้นพรามชูชกนั้นตกใจกลัวตกอยู่ในอำนาจของนางพรามณีถูกกามราคะบีบคั้นได้กล่าวกับนางพรามณีว่าแน่นางพรามณี เธอจงจัดสเสบียงเดินทางให้ฉันทั้งขนมงาขนมเทียนขนมที่ทำเป็นก้อนด้วยน้ำผึ้งสัตูก้อนสัตูผงและข้าวพอกเธอจงจัดให้ดีฉันจะนําพระพี่น้องสองกุมารมาให้เป็นทาตพระกุมารทั้งสองนั้นเป็นผู้ไม่เกียจคร้านจักบำเรอเธอทั้งกลางคืนกลางวัน พรามชูชกผู้มีเผ่าพันธุ์รมกล่าวพร่ำสอนชนีแล้วสวมรองเท้าแต่นั้นพร่ำสั่งเสียทำประทักษิณภรรยาสมาทานวัดมีหน้าหนองด้วยน้ำตาหลีกไปสู่นครอันจเจริญรุ่งเรืองของชาวสีผีเที่ยวสแสวงหาธาตุและทาสีพรามชูชกไปในนคร น, นั้นแล้ว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 จึงถูกขับไล่จากเว่นแคว้นของพระองค์สเสด็จไปประทับอยู่ณเขาวงกฏแน่ท่านพรามณ์พระเวสสันดรบร ม, มกษัตริย์ถูกพวกท่านเบียดเบียนเพราะทรงให้ทานมากไปจึงทรงพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีสเสด็จไปประทับอยู่ณเขาวงกฏพราหมณ์นั้นผู้มีความติดใจในกามถูกนางพราหมณีตักเตือน ได้สเสวยทุกข์เป็นอันมากในป่าอันเกลื่อนกล่นไปด้วยสัตว์ร้ายเป็นที่เสพอาศัยแห่งแรดและเสือเหลืองแก้ถือไม้เท้าสีเหมือนผลมะตูมอีกทั้งเครื่องบูชาไฟและเต้าน้ำเข้าไปสู่ป่าใหญ่โดยทางที่ตนได้ทราบข่าวพระนอกษัตรผู้ประธานตามประสงค์เมื่อพราม์นั้นเข้าไปสู่ป่าใหญ่ ถูกฝูงสุนัขล้อมไล่ตาแกร้องไห้เสียงขมเดินหลงทางห่างออกไปไกลลำดับนั้นพรามผู้โลภในโภคะไม่มีความสำรวมหลงทางที่จะไปสู่เขาวงกฎถูกสุนัขล้อมไล่และนั่งอยู่บนต้นไม้ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ชูชกกล่าวว่าใครเล่าหนอจะพึงบอกราชบุตร พระนามว่าเวสันดรผู้ประเสริฐผู้ทรงชำนะความตรณีอันใครให้แพ้ไม่ได้ทรงให้ความปลอดภัยในเวลามีภัยแกเราได้พระองค์เป็นที่พึ่งของพวกยาจกดังธรณีเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นใครจะพึงบอกซึ่งพระเวสันดรมหาราชผู้เปรียบเหมือนแม่ธรณีแกเราได้ พระองค์เป็นที่ไปเฝ้าของพวกยาจกดังสาครเป็นที่ไหลไปรวมแห่งแม่น้ำทั้งหลายฉะนั้นใครจะพึงบอกซึ่งพระเวสสันดรมหาราชผู้เปรียบเหมือนสาครแกเราได้ใครจะพึงบอกซึ่งพระเวสสันดรมหาราชผู้ทรงเปรียบเหมือนสะน้ำมีท่าอันงามราบรียบลงดื่มได้ง่ายมีน้ำเย็นเป็นที่รื่นรมใจ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 พระศาสดาตรัสว่านายเจตบุตรเป็นพรานเที่ยวอยู่ในป่าได้ตอบแก่ชูชกนั้นว่าแน่พรามพระนกสัตย์ถูกพวกท่านรบกวนเพราะทรงให้ทานมากไปจึงถูกเนระเทศจากแคว้นของพระองค์มาประทับอยู่ณเขาวงกฏแน่พรามพระนกสัตย์ถูกพวกท่านรบกวนเพราะทรงให้ทานมากไป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 จะดื่มเลือดเจ้าแน่พรามเราจะฆ่าแล้วตัดหัวของเจ้าเชือดเอาหัวใจพร้อมทั้งไส้พุิและจกบูชาปันทะสกุลยันพร้อมด้วยเนื้อของเจ้าแน่พรามเราจะเชือดหัวใจของเจ้ายกขึ้นเป็นเครื่องเส้นสวงพร้อมด้วยเนื้อมันข้นและมันในสมองของเจ้าแน่พราม ข้อนั้นจักเป็นยันที่เราบูชาดีแล้วเส้นสวงดีแล้วด้วยเนื้อของเจ้าเจ้าจาักนำพระมเหสีและพระโอรสพระธิดาของพระราชบุตรไปไม่ได้ชูชกกล่าวว่าแน่เจตบุตรจงฟังเราก่อนพรามผู้เป็นทูตเป็นผู้ไม่ควรถูกฆ่าเพราะเหตุนั้นแหลคนทั้งหลายย่อมไม่ฆ่าทูต นี้เป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาแต่โบราณชาวสีพีทุกคนหายขัดเคืองแล้วพระบิดาก็ทรงปรารถนาจะพบพระราชบุตรและพระมารดาของพระราชบุตรนั้นทรงทุกพลภาพพระเนรทั้งสองของพระมารดานั้นจะขุนมัวในไม่ช้าเราเป็นทูตที่ชาวสีพีเหล่านั้นส่งมาแน่เจตบุตรจงฟังเราก่อน เราจากนำพระราชบุตรเสด็จกลับถ้าเจ้ารู้จงบอกขนทางแก่เราเจตบุตรกล่าวว่าข้าแต่พรามท่านเป็นทูตที่รักของพระเวสสันดรผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะให้กระบอกน้ำพึ้งและขาเนื้อย่างเป็นบรรณาการแก่ท่านและจักบอกประเทศที่พระเวสสันดร น, นอกรัตร์ผู้ให้สำเร็จความประสงค์ ประทับอยู่แก่ท่านชูชกบับพะจบ